มาเทศนาจะอธิบายธรรมะไม่เข้าถึงจิตถึงใจฟังจะ และอมเทศนาพูดถึงเรื่องตายพูดไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะถึงต่างๆ ฟังธรรมเทศน์น่ะก็รู้เรื่องศาสนาถ้าหากศาสนาศาสนาไม่ได้ องค์ปฏิทัตถะไว้ที่นั่นแหละใจนั้นพิสุทธิ์หมดจตสาเหตุจากโทษสาเหตุ ด้วยจิตทั้งหลายก็ใจนั่นแหละไม่ใช่อื่นไสอะไรเหตุ ไว้ที่หัวใจตั้ง <c oughs> คือนั้นๆก็เรียกว่าสะสมกิเลสอะไรก็กิเลสน่ะ 3 อย่างนี้แหละความโลภมัน หาด้วยประการต่างๆบางทีมันก็หาทางถูกหาทาง คิดซะปฏรสรายเขาชอบใจมันก็เป็นกิเลสไม่ชอบใจก็เป็นกิเลสคิด แล้วเท่าความกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจว่า อันมีเรื่องกระทบกระเทือนขึ้นแต่ข้างล่างมันมันก็ฟุ้งออก ให้บริสุทธิ์หมดจดได้เพราะใจสะอาดเหมือนกัน เหตุการณ์นั้นทั้งใต้มันก็คูณ เพ่งพิจารณาดูจิตของตนดูความโลภความโกรธความหลงของตน ความโลภความโคลนเหล่านั้นได้ให้เพ่งพิจารณาลงเฉพาะสิ่งอันเดียวเช่นเพ่ง มันนอนโคตรโคอยู่นั่นหรือว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันแน่พี่ยืนมันอยู่ด้วยความสงบไม่มีอารมณ์ทั้งหะถ้ามีอารมณ์มันพุ่งออกมาความโลภมันนะเช่นเห็นเขาได้นี่มันก็ทบมันแล้วก็อยากได้กับเขาการเมื่อไม่มี นั่งนิ่งว่ามานอนอยู่คดคู่ในนั้นแหละจึงเพ่งพิจารณาให้มันเห็นความ 2 ความโทสะคือความปทุษร้าย มันมันนิ่งนอนอยู่นั่นมันก็อยู่นั่นแหละถ้า น้ำใสมันก็ค่อยเห็นตัวมันตัวปลาขึ้นมาได้ติน้ำ เพ่งพิจารณาเห็นโทษของตนสิ่งที่ผิดที่ถูกสิ่งที่ดีที่ชั่วเห็นของตัวเรื่อยๆตลอดเวลานั้นน้ําใสขึ้นมาแต่ไม่ใช่ แต่ว่ามันยากที่มันยากที่สุดเพ่งที่ขณะ สิ่งเหล่านี้นั้นคนอื่นทําให้ไม่ได้ เราทําไม่ทันสักสังจิตของเราให้ได้ในชั่ววันหนึ่งคณะ 1 คู่ 1 ก็ยังเป็นดีหรือปี 1 เดือน 1 ก็ยังเป็นการดีดีอันนั้นเป็นกําไรชีวิตของเราเราหมมอยู่ สัตว์ของไม่มองเห็นคุณไม่มองเห็นโทษเสรีตนั่งแล้วแต่มันอย่าพาไปทึบ เรารักษาใจแล้วไม่ได้โมหะควบคุมใจได้พาไปในที่ๆในๆไปๆไม่ทราบว่ามีจุด ในขณะนี้เราก็ไม่มีจุดหมายในวันหนึ่งวันหนึ่งหมอง ก็เชื่อเอาได้ว่าเราต้องไปเกิดในที่เฉพาะคน <c oughs> ของใครของมันทั้งทําได้ตนเองแท้ๆแก่ยากแก่ ในสมัยนี้ก็เอาซะนะพูดถึงบวกเข้ามาสมาธิ ก็มีโทษเท่บวชแท้ๆว่าบวชหรือเฉยๆนักบวชแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็มีโทษเท่ยังสู้คารวาสไม่ได้เห็นนั้นเรียกว่าไม่เลือก โคพันนั่นแหละกูเห็นโทษนั่นแหละละลงในขณะนั้นปัจจุบันมันก็ได้เหมือนกันการละการ <c oughs> ให้สถานที่ได้ได้ทั้งประโยชน์ถ้าหากทําเอาละ จิตตังโหัง มาให้ฟังนอนนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวา นิพพุตโธละนึกพุทโธละเอาสติคือผู้ระลึกได้นั่นแหละเรียกว่าสติระลึกในที่ทั้งปวง ไม่กำหนดว่าตรงนั้นตรงนี้หรอกแต่มันนึกพุทโธนั่นอยู่ตรงไหนก็ ไม่ไปไหนเอาไว้พูดโทตรงเดียวที่ ในขณะนั้นไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งเฉพาะในที่เดียวเลยนั่นแหละเรียกว่าถึงพุทโธแล้วนั่นถึงคุณ มีความรู้สึกอยู่ถึงคุฑโทเลยด้วยถึงๆหมดได้ยินเสียงก็ๆอันนั้น ไปคิดไปนึกคิดไปนึกนั่นเรียกว่าจิตตัวนั้นน่ะจะต้องรักษาตัวนั้นน่ะมันสําคัญนะถ้า ไส้มืดอ่ะไส้เท้าฝ่าเท้าก็ชีก็ตรงกลางเท่านั้นน่ะใจคนก็ชี เป็นยังไงน้อใจหั่นมาทดสอบลองดูมีคนนั้นน่ะ มันจะเจ็บเขาก็กั้นลมหาย ก็ได้สักครู่ขณะเดียวเท่านั้นน่ะชั่วขณะลง ให้อย่าลืมนั่นความสุขสงบอย่าลืมนึกษานั่นไว้ มันไม่ใช่สุขแท่ไม่ใช่สุขแท้มันต้องมีอามิสต้องกังวลเกี่ยวข้องมีของมาก ให้เราใช้มันไม่ใช่ว่ะไม่ใช่เราเมื่อใดเรานั้นน่ะอาหารการกินกับเหล้านั่นน่ะไปซื้อเหล้านั่นน่ะไปหามาหา <c oughs> แต่จริงเงินใช้เราไม่รู้ตัวงั้นจึงว่าไม่ใช่ความสุขถ้านิ่งเฉยอยู่นั่นแหละไม่ ถึงว่าเงินใช้ๆก็ต้องให้มันใช้ไปซะก่อนท่านจึงค่อย ถ้าใจไม่มีก็ลองดูเถอะจะเอาอะไรมาเป็นสุขสุข มีความสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ได้ความสุขภายใน เหตุนั้นจึงควรภาวนาทําความอบรมใจอย่างอธิบายวันนี้แหละให้ ในนรกสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรต่างๆไม่ละนั่นแหละความละของเราละได้